การไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียไปบูชาที่สังเวชนาสังเวชนิยสถานสี่คือที่ประสิที่ตัดสรู้ที่แสดงธรรมครั้งแรกและที่ สเสด็จ ด, ดับขันธ์ปารณิพานได้ประโยชน์อะไรบ้างจำเป็นที่ชาวพุทธทุกคนต้องไปหรือไม่การไปจาริกแสวงบุญที่สังเวชนียสถานทั้งสี่นี้เป็นการไปเสริมศรัทธาหรือไปสร้างศรัทธาความเชื่อ ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไม่มีศรัทธาการไปก็อาจจะทำให้เกิดศรัทธาขึ้นมาก็ได้สำหรับผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วถ้าได้ไปก็จะเสริมให้มีศรัทธาแก่กล้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นเหมือนได้ไป เห็นสถานที่เห็นตัวพระพุทธเจ้ากับกับตาของตนเองเวลาที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษานี้เป็นเหมือนสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นพอเวลาได้ไปถึงสถานที่ประสูตรที่ตัดสู้ที่แสดงธรรมที่เสด็จดับขันธปาลนิพาน ก็อาจจะทำให้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มที่จะได้เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนให้มากขึ้นไปตามลำดับก็ได้เปรียบเหมือนกับเป็นอาหารเสริมถ้าไม่มีอาหารเสริมก็ก็ยังอยู่ได้ ชาวพุทธที่ไม่ได้ไปจาลิกไปที่อินเดียเพื่อไปไปบูชาสังเวชนิสถานทั้งสี่ก็เป็นเหมือนคนที่ไม่มีอาหารเสริมแต่ก็ยังมีอาหารหลักอยู่ก็อาจจะทำให้การเจริญเติบโตนี้ชองช้าไม่รวดเร็ว สำหรับผู้ที่ได้ไปมากลับมาอาจจะมีแรงศรัทธามากขึ้นที่จะทำบุญมากขึ้นที่จะรักษาศีลให้บอยสุดมากขึ้นที่จะหมั่นเจริญจิตตภาวนาให้มากขึ้นแต่นี่ก็ไม่ใช่เป็นวิธีเดียวที่จะเสริมศรัทธาหรือสร้างศรัทธา อีกวิธีหนึ่งที่จะเสริมศรัทธาสร้างศรัทธาก็คือการศึกษานี่แหละศึกษาพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมจากแหล่งผู้รู้จริงๆแหล่งผู้รู้จริงๆก็มีอยู่สองแหลง่งคือพระธรรมคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้เป็น คำภีหลักของพระพุทธศาสนาที่จะมีการบันทึกประวัติของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่วันเกิดไปจนถึงวันตายและในแต่ละปีในชีวิตของท่านท่านได้กระทำอะไรไว้บ้างเป็นการศึกษาชีวประวัติของพระพุทธเจ้า และเป็นการศึกษาคําสั่งคําสอนพอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสั้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทุกวันัวนลาสี่รอบด้วยกันตอนบ่ายสอนญาตโยมตอนข้ามสอนภิกษุภิกษุณี ตอนเด็กสอนเทวดาตอนเช้าก่อนจะออกบินทบานทรงแรงยานว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นนี่เป็นพุทธกิจสี่ข้อในห้าข้อของพุทธกิจห้าพระพุทธเจ้าทำมีกิจประจำวันอยู่ห้าข้อ สี่ข้อนี้สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นส่วนข้อที่ห้านี้ออกโปรดสัตว์ด้วยการบินทบาทบินทบาทโปรดสัตว์การบินทบาทของพระพุทธเจ้านี้ของพระภิกษุนี้เป็นการโปรดสัตว์ต่างกับการไปรบกวนสัตว์เช่นเป็นขอทานขอทานนี้มักจะไปรบกวนชาวบ้าน ชาวบ้านเห็นแล้วก็เบื่อหน่ายแต่พระภิกษุหรือพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ไปรบกวนชาวบ้านไปโปรดชาวบ้านให้ได้มีโอกาสได้ทําบุญเพราะผู้ที่ทําบุญก็อยากจะทําบุญกับคนดีทําบุญกับคนที่ทําคุณทําประโยชน์ให้กับโลกนั่นเองพระพุทธเจ้านี้ เป็นผู้ทาคุณทำประโยชน์ให้กับโลกยิ่งใหญ่มหาศาลกว่าบุคคลทั้งหมดในโลกนี้ไม่ว่าใครที่ว่าทำคุณประโยชน์ให้กับโลกมากเนี mm ่ hmm. เมื่อมาเปรียบเทียบกับคุณประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทาแล้วต่างกันฟ้ากับดินประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงทำให้กับสัตว์โลกนี้ เป็นประโยชน์ที่ไม่มีใครสามารถทำได้ประโยชน์ที่บุคคลต่างๆทำให้กับโลกเป็นประโยชน์ที่ทำกันได้ทั่วไปถ้ามีกําลังที่จะทำคือประโยชน์ทางร่างกายคือช่วยเหลือให้อยู่ร่มเย็ยนเป็นสุขให้ร่างกายมีปัจจัยสี่ บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนต่างๆของทางร่างกายมนุษย์ทั้งหมดทำได้เพียงเท่านี้คือทำประโยชน์ทางร่างกายแต่ประโยชน์ทางจิตใจนี้ไม่มีใครสามารถที่จะทำได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหรันตสาบก และพระภิกษุที่ศึกษาและปฏิบัติเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่จะสามารถทำประโยชน์ทางด้านจิตใจได้คือช่วยให้จิตใจของสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด นี่แหะจึงเรียกว่าเป็นการโปรดสัตว์เพราะว่าการได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าพระหลานตสาวกพระอริยบุคคลหรือพระภิกษุที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเป็นการบำรุงเป็นการส่งเสริมให้มีผู้ที่มีความสามารถที่จะมาช่วยเหลือผู้อื่น ทางด้านจิตใจให้มีอยู่ในโลกนี้ไปนานๆนั่นเองถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับเป็นการจ่ายข้าเล่าเรียนเวลาพาไปบินธบานี้เป็นเหมือนไปเก็บข้าเล่าเรียนญาติโยมเป็นหนี้พระเพราะญาติโยมต้องมาเรียนหนังสือกับพระมาเรียนธรรมะมาฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าญาติโยมไม่จ่ายข้าเล่าเรียน พระก็ไม่มีเงินไม่มีข้าวกินไม่มีข้าวกินพระก็อดตายก็จะไม่มีใครมาบวชจะไม่มีใครมาศึกษาไม่มีใครมาปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมเพื่อที่จะได้เอาธรรมที่มีคุณค่ามาหาศาลนี้มาสั่งสอนให้กับศรัทธาญาติโยมนั่นเอง นี่คือความแตกต่างระหว่างการบิณฑบาตของพระกับขอทานเนี่ยขอทานนี่เขามีแต่ไปรบ ก, กวนเขาไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับใครนอกจากตัวเขาเองเท่านั้น <c oughs> คือเขาไปขอเงินขอทองขอข้าวขอของเพื่อที่จะมาบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของเขาแต่ตัวเขาไม่ได้ไปทำประโยชน์อะไรให้กับใคร ทำได้อย่างมากก็คือไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเพราะว่าถ้าเกิดขอทานขอข้าวขออะไรแล้วไม่ได้เขาก็ต้องไปหาโดยวิธีลักขโมยเห็นการให้ขอทานก็ได้ประโยชน์อย่างหนึ่งคือลดจานวนโจรผู้ร้ายให้น้อยลงได้คนที่เขาขาดแคลนอดอยากถ้าเขาไม่มีงานทําเขาตกงาน เขาก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเขาก็ต้องไปหาวิโดยวิธีทำบาปทำผิดกฎหมายแต่การไปโปรดสดโปรดสัตว์ของพระภิกษุนี่ของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์นี่เป็นเหมือนกับเป็นการไปเก็บค่าเล่าเรียน เพราะว่าจําเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูปากท้องของพระภิกษุพระภิกษุก็ต้องอยู่ต้องกินแต่ท่านไม่เรียกร้องว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ให้จ่ายตามกําลังศรัทธาอยากจะใส่ข้าวแม้แต่ทัพทีเดียวก็ถือว่าได้จ่ายค่าเล่าเรียนข้าวเปล่าทัพพีหนึ่งก็ได้กับข้าวถุงหนึ่งก็ได้ แล้วแต่ศรัทธาไม่ได้บังคับว่าจาเป็นที่จะต้องให้มากให้น้อยเท่าไหร่แต่ควรจะให้เพราะถ้าอยากจะให้มีพระภิกษุมีพระสาวกปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆก็ต้องมีการทำบุญใส่บาตรพระภิกษุพระสาวกทั้งหลายก่อนจะมาเป็นพระสาวกก็ต้องบวชเป็นพระบวชใหม่เป็นพระ ที่ยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์แต่หลังจากที่ท่านได้บวชแล้วท่านก็จะได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพอได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเดี๋ยวก็ได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกต่อไปได้นี่คือ การทำกิจภาประการของพระพุทธเจ้าทำเพื่อผู้อื่นทั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่อพระองค์เองเพราะว่าพระองค์เองคือใจของพระองค์เองนี่เต็มเปี่ยมด้วยบร ม, มสุขแล้วปรมังสุขขังแล้วร่างกายจะตายไปจะอดอยากจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นปัญหากับใจของพระพุทธเจ้า ใจของพระพุทธเจ้านี้เต็มเปลี่ยมตลอดเวลาถ้าพระพุทธเจ้าจะไม่ไปโปรดสัตว์ก็ได้ท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรท่านก็ยังมีบา ร, ร ม, มีศักดอยู่ภายในใจเหมือนเดิมแต่ถ้าท่านไปโปรดสัตว์ก็แสดงว่าท่านไปช่วยสัตว์โลกไม่ได้ไปช่วยตัวของพระพุทธเจ้าเอง เพราะตัวของพระพุทธเจ้าเองท่านได้ทำการช่วยเหลือด้วยพระองค์เองแล้วจนหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วแต่พวกเราที่เป็นสัตว์โลกที่ยังมืดบอดอยู่นี่ยังยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่จึงต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้า อย่างพระอาหาันตสาวกมาโปรดมาคอยให้คำสั่งคำสอน mm hmm. การได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนนี้ mm hmm. ก็เป็นวิธีที่จะเสริมศรัทธาหรือสร้างศรัทธาให้แก่ผู้ที่ไม่มีให้เกิดขึ้นได้ mm hmm. สมัยก่อนก็ไม่มีสังเวชไม่มีใครไปจะไปสังเวชนียสถานกัน สมัยที่พระพุทธเจ้าอยู่ก็มุ่งไปหาพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนะไปฟังธรรมพอได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาขอออกบวชกันเยอะแยะไปหมดแต่พอไม่มีพระพุทธเจ้าก็เลยต้องอาศัยสังเวชนียสถานสีเป็นที่ไปให้กำลังใจเป็นที่เสริมสร้างศรัทธา สำหรับผู้ที่ไม่มีศรัท ธ, ธาก็จะเกิดศรัท ธ, ธาขึ้นมาหลังจากที่ได้ไปตาบสังเวชในยถาสารทั้งสี่เนีสำหรับผู้ที่มีแล้วถ้าได้ไปก็จะเพิ่มศรัท ธ, ธาให้มีเพิ่มมากขึ้นนีจะทําให้มีความมั่นใจในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริงเป็นความจริงที่จะ นำพาผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้ดังนั้นผู้ที่ไม่มีปัญญาถ้าไปอินเดีย <c oughs> ก็อย่าน้อยใจอย่ากังวลใจมีวิธีอื่นที่จะเสริมศรัทธาสร้างศรัทธาได้ด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนจากแหล่งที่แท้จริง หนังที่เป็นธรรมะแท้คือศึกษาจากพระไตรปิฎกธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงในแต่ละวันนี้จะมีพระภิกษุจดจำกันช่วยกันจำคนนี้จำบทนี้คนนั้นจำบทนั้นพระมาบวชนี้ส่วนหน้าที่หนึ่งก็คือมาจดจำคำสอนเพราะการจดจำนี้ได้ประโยชน์ทั้งสอง คือผู้จดจำก็ได้เรียนรู้ไปในตัวแล้วก็สามารถที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้อยู่ไปได้นานๆเนี่ยเนี่ยหลังจากที่พระพุทธเจ้ า, าเสด็จดับขันธปาินิพานไปสามเดือนพระอาลัยตาสาวกห้าร้อยรูปก็เรียกประชุมกันทันที เ, นเรียกประชุมเพื่อมาทบทวนคำสอนต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงไว้45ปีด้วยกันว่ามีอะไรบ้างใครจำอะไรได้บ้างมาทบทวนกันมาเปรียบเทียบกันเพื่อที่จะได้คัดกรองเอาสิ่งที่ถูกต้องไว้แล้วเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไปเรียกว่าเป็นการสังคยนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งแรก สังขยาณาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยพระอาหารหันตสาวกผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมผู้ที่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมเนี่ยคนที่ท่องอาจจะท่องแบบนกแก้วเพราะอาจจะยังไม่ได้เป็นพระสาวกแต่อาศัยมีความจําก็จําไว้แต่ก็อาจจะจํา ขาดบ้างเกินบ้างพอมาร า, ายงานให้กับาาป้าะหันห้าร้อยรูปได้ยินท่านก็จะรู้ว่ า, าถูกต้องไหมไม่ถูกต้องตรงไหนให้แก้ไขคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นคำสอนที่ที่ค่อนข้างที่จะตรงกับความเป็นจริง ถึงแม้จะผ่านมาเป็นเวลา 2,500 กว่าปีแล้วก็ตามเพราะในเบื้องต้นในท่านที่หนึ่งของการสังขายนาก็มีผ้าอารหรัน500รูปเนี่ยเป็นผ้าอารหันผู้ที่รู้ทางหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นถ้าใครมาท่องคำสอนที่ไม่ถูกนีท่านจะรู้ทันที ท่านจะสามารถแก้ไขได้ทันทีเหมือนกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในในวิชาการใดวิชาการหนึ่งเช่นวิชาการแพทย์ <c oughs> เชี่ยวชาญในเรื่องการรักษาโรคมะเร็งแล้วก็มีลูกศิษย์ที่ท่องจําวิธีรักษาโรคมะเร็งมารายงานว่าวิธีรักษาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ผู้เชี่ยวชาญฟังนี้ก็จะรู้ว่า จำผิดแล้วจำถูกถ้าจำผิดก็จะได้แก้ไขเ่าไม่ใช่ไม่ใช่วิธีนี้วิธีรักษาโรคมะเร็งก่อนจะขั้นที่หนึ่งต้องทำอย่างนี้ขั้นที่สองต้องทำอย่างนี้ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญผู้ที่รู้วิธีรักษาโรคมะเร็งก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าผู้ที่ไปจดจำมานี้จำผิดหรือจำถูกอย่างไร ดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ถึงแม้จะผ่านมาถึงห้าพันสองพันห้าร้อยกปีแล้วก็ตามเนี่ยเป็นคำสอนที่ได้รับการคัดการกรองในครั้งแรกสามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนิพพานไปด้วยพระอรหนห้าร้อยลูกจึงถือว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซนเลยก็ได้ แล้วก็ยังมีการสังคายนาอีกสองสามครั้งด้วยกันแต่ของเดิมนี่เป็นของที่ได้รับการรับประกันมาจากพระหลหันห้าร้อยลูวแล้วผู้ที่สืบทอดก็ท่องมาแล้วก็มีพระอรหันแต่ละยุคแต่ละสมัยมาคอยตรวจสอบอยู่นี่พระพุทธศาสนานี่มีพระอรหัน สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนไม่ว่ายุคไหนก็ตามจะมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์กันมาตามลำดับมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้<ม>คำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องมีการแก้ไข เพราะมีผู้ที่เชี่ยวชาญผู้ที่ได้ปฏิบัติมาแล้วที่รู้ว่าผิดหรือถูกอย่างไร น, นี่คือถ้าเราได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าเราไม่มีศรัทธาศึกษาไปเถิดรับรองได้ว่าเดี๋ยวก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาไม่ต้องไปที่ประเทศอินเดียก็ได้ถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะไป อาจจะไม่มีเงินทองไปหรือร่างสังขารร่างกายไม่อำนวยเช่ mm. นเป็นคนชราคนพิการาต้องนั่งรถเข็น mm. จะไปไหนมาไหนอาจจะลำบากก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเดือดร้อนใจว่าไม่ได้ไปอินเดียแล้วจะไม่ได้บุญ บุญที่จะได้เท่ากับไปอินเดียก็มีอยู่ที่บ้านเหล่านี้อยู่ที่วัดนี้ขอให้เราศึกษาพระธรรมคำสอนจากพระไตรปิฎกหรือจากพระอริยสงสาวกคือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่มีดวงตาเห็นธรรม อันนี้พอได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงผู้ฟังก็จะเกิดศรัทธาเกิดความอยากที่จะพิสูจน์อยากจะทดลองปฏิบัติเพื่อจะได้ดูจริงเห็นจริงเหมือนกับผู้ที่สอนนั่นเองดังนั้น การไปประเทศอินเดียไปจารึกตามสถานสังเวชนียสถานทั้งสี่นี้ถ้ามีโอกาสไปได้ก็ไปถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ต้องเสียใจมีวิธีอื่นนอกจากการศึกษาแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นยิ่งกว่าการไปอินเดียยิ่งกว่าการไปศึกษา ยิ่งกับการศึกษา <c oughs> นั่นก็คือการปฏิบัตินี่ถ้าลองปฏิบัติแล้วได้สัมผัสกับผลได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงแล้วทีนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบังคับเลยเรื่องศรัทธาเรื่องความเชื่อนี้เชื่อร้อยเปอร์เซ็ น, นตยิ่งได้ลถแห่งธรรมระดับโลกุตตระธรรมคือพระโสดาบันนี่ จะกำจัดวิจิตกิจฉาความลังเลยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้หมดไปเลยจะเชื่อร้อยเปอร์เซน์เลยถ้าสัมผัสกับธรรมอย่างอื่นยังอาจจะเชื่อไม่เต็มร้อยสัมผัสกับลดแห่งธรรมจากการทําทานสัมผัสลดแห่งธรรมจากการรักษาศีลสัมผัสลดแห่งธรรมจากการนั่งสมาธิก็ยังอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเหมือนกับ สัมผัสรถแห่งธรรมที่เกิดจากการบรรลุปเป็นพระโสดาบันอันนี้จะทำลายสังโยชน์คือวิจิตกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ร้อยเปอร์เซ็เลยเพราะอะไรเพราะผู้มีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคต ผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรมธรรมที่เห็นคืออะไรก็คืออริยสัจสี่ตายักนี้เองถ้าปฏิบัติไปจเจริญปัญญาไปเดี๋ยวก็จะได้สัมผัสกับอริยสัจสี่ตายรัก้วพอได้สัมผัสได้ดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ก็จะหายสงสัยว่าเอ ทุกข์ดับได้เพราะอะไรอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์และอะไรทําให้ทุกข์ดับไปได้ทุกข์ดับได้ก็ปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนให้นำมามาใช้นั่นเองก็คือให้เห็นใจรักในสิ่งที่ทําให้ใจทุกข์พอเห็นว่าเป็นใจรักใจก็จะปล่อยวางได้ละความอยากต้นเหตุของความทุกข์ได้ความทุกข์ก็จะหายไป ผู้ปฏิบัติก็จะไม่สงสัยว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงหรือไม่เพราะได้พิสูจน์ในขณะที่เกิดความทุกข์และดับความทุกข์นั้นด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าก็จะไม่สงสัยในตัวพระพุทธเจ้าว่ามีจริงหรือไม่ไม่สงสัยว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เอาไปดับความทุกข์ได้หรือไม่นะผู้ที่ เห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมผู้ที่ดับความทุกข์ภายในใจของตนเองได้ก็เพิก็คือพระอริยสงสาวกคือพระโสดาบันนั่นเองก็คือผู้ปฏิบัตินั่นแหละว่าตอนตอนนี้ได้กลายเป็นพระโสดาบันขึ้นมาแล้วไม่ได้เป็นปุถุชนเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเวลาทุกข์นี่ดับความทุกข์ไม่เป็นดับด้วยวิธี เอาไปกลบมันเท่านั้นเองเอาความสุขไปกลบความทุกข์เดี๋ยวพอความสุขจางหายไปความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาใหม่อะนนี่คือวิธีของปุถุชนเวลาเกิดความทุกข์ก็คือไปหาความสุขมากลบมันไม่สบายใจก็ไปชอปปิ้งสัหน่อยไปดูหนังฟังเพลงสะหน่อยไปหาแฟนสะหน่อยไปเที่ยวที่นั่นที่นี่สะหน่อย พอไปทำสิ่งเหล่านี้แล้วความทุกข์ก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวพอสักระยะหนึ่งความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาใหม่มันไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ได้อย่างร0อปอร์เซน์อย่างถาวรหนุนก็เอาความสุขไปกลบไว้พอความสุขจางไปความสุขจากการไปเที่ยวจางไปความสุขจากการไปช้อปปิ้งจางไป ความสุขจากการไปดูหนังฟังเพลงจางไป <c oughs> ความทุกข์เก่าที่เคยมีก็กลับขึ้นมาใหม่ <c oughs> แต่สําหรับพระอริยบุคคล น, นี้ท่านจะไม่ดับความทุกข์แบบนี้ท่านจะไปดับความทุกข์ที่สาเหตุ ข, ของความทุกข์คือความอยากอยากได้แฟนพอไม่ได้แฟนก็ทุกข์ก็พิจารณาว่าแฟนมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อย่าไปมีแฟนเสียก็หมดเรื่องอย่าไปอยากมีแฟน เพราะไม่มีความอยากมีแฟนก็ไม่เดือดร้อนกับการมีแฟนหรือไม่มีแฟนไม่ทุกข์กับแฟนเพราะไม่มีแฟนที่จะท้องทุกข์ด้วยเพราะอยู่คนเดียวได้นี่ยคนที่ดับหยุดความอยากมีแฟนได้ก็จะอยู่คนเดียวได้โดยไม่รู้สึกเดือดร้อนคนที่ยังหยุดความอยากมีแฟนไม่ได้ก็ยังก็ต้องมีแฟนถ้าไม่มีแฟนเราจะรู้สึกเหงาจะรู้สึกเศร้าจะรู้สึก ไม่มีความสุขนะถึงต้องไปหาแฟนกันแต่นั่นไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาความทุกข์ใจวิธีที่จะแก้ปัญหาความทุกข์ใจต้องมาแก้ที่ใจแก้ที่ความอยากของใจหยุดความอยากของอยากมีแฟนด้วยการเห็นว่ามีแฟนแล้วต้องทุกข์เพราะเดี๋ยวมีอยู่กับแฟนเดี๋ยก็ต้องหวงต้องหึงต้องหวงต้องหวงนะแล้วเดี๋ยวทะเลาะกันก็เสียใจไม่สบายใจ เดี๋ยวเขาทิ้งเราไปหรือเขาตายจากเราไปก็เศร้าโศกเสียใจอนี้ไม่พ้นความทุกข์ไปหาไปหาความทุกข์มาดับความทุกข์ไม่ได้แต่เราคิดว่าเป็นความสุขคิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขมันก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวความสุขปลอมสุขสุขตอนฮันนี่มูนตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆพอฮันนี่มันจางหายไป เกลือมันเข้ามาแทนที่รสเค็มมันเข้ามาแทนที่รสขมมันเข้ามาแทนที่ตอนนั้นก็ไม่อยากจะอยู่กับแฟนนะอยากจะอย่ากับแฟนแนั่นแหละนั่นไม่ใช่เป็นวิธีของพระอริยบุคคลอริยบุคคลเวลาทุกข์จะสังเกตว่ากำลังอยากกับอะไรกำลังต้องการอะไรพอไม่ได้สิ่งที่อยากก็ทุกข์ใจขึ้นมา หรือสูญเสียสิ่งที่อยากได้มาก็ก็ทุกข์ขึ้นมาหรือกําลังจะสูญเสียยังไม่สูญเสียก็ทุกข์ขึ้นมานเช่นตอนนี้ไม่มีเงินผ่อนบ้านไม่มีผ่อนรถนี่ทุกเกิดละทั้งๆ้ที่บ้านกับรถยังอยู่กับเราแต่มันทุกข์แล้วมันรู้ว่าเดี๋ยวต้องถูกเขายึดไปแล้ะเพราะมันไม่เที่ยงบ้านมันไม่เที่ยงรถมันไม่เที่ยง อ, อย่าไปอาศัยมันมาให้ความสุขกับเรา เพาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความทุกข์ต้องแก้ที่ใจอย่าไปอยากมีบ้านอย่าไปอยากมีรถมีขาแล้วก็เดินได้สมัยก่อนไม่มีรถยนต์เขาก็อยู่กันได้ไม่เห็นเขาเดือดร้อนไม่มีบ้านพระพุทธเจ้าไม่มีบ้านท่านก็อยู่ตามโคนไม้ได้อยู่ตามถ้ำอยู่ตามเงื้อมผาได้นี่อยู่ในป่านี่หากิ่งมงกิ่งไม้มาทาเพิงนิดหน่อยก็หลบแดดหลบฝนได้นะ ห้องน้ําก็สบายอยู่แบบสัตว์ใช่ไหมสัตว์มันเห็นมีห้องน้ําเนี่ยลิงวัวลิงเอวิลิ ง, ล ง, ล ง, ลงป่างูว่าอะไรสัตว์ทั้งหลายมันไม่ต้องสร้างห้องน้ำใช่ไหอมันปวดตรงไหนมันก็ถ่ายตรงนั้นน่ะกลายเป็นปุ๋ยไปดีที่วีไซเคิลกับให้กับธรรมชาติเนี่ยมนุษย์เรามันเป็นพวกแปลกพวกวิปลิต <c oughs> ไม่ยอมอยู่กับธรรมชาติน ชอบอยู่แปลกจากธรรมชาติจึงวุ่นวายกันถ้าอยู่แบบธรรมชาตินี้มันจะไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่เ <c oughs> พราะแก้ปัญหาผิดเพราะแก้ปัญหาด้วยการไปหาสิ่งนู้นสิ่งนี้มาแก้ไม่ได้มาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือความอยากของตนเพราะไม่ได้เรียนรู้ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าวิธีแก้ปัญหาของ ของตนคือความทุกข์ใจไม่สบายใจนี่ต้องแก้ที่ความอยากของตนนทุกครั้งที่ไม่สบายใจเนี่ยลองคิดให้ลึกๆดูเราไม่สบายใจกับอะไรกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะเรากลัวจะสูญเสียเหมันใช่ไหมถ้าเรารักของที่เราอยากเนเรารักเราก็ไม่อยากจะให้มันสูญเสียแต่พอเราได้ข่าวว่ามีเชื้อโรคระบาดนี่เราห่วงลูกแล้วห่วงเมียห่วงสามีแล้วทุกข์ขึ้นมาแล้ว ทุกข์ว่าเราไม่อยากให้เขาติดโรคไม่อยากให้เขาจากเข้าไปแต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วเราพิจารณาว่าแล้วเขาจะอยู่ไปตลอดได้ยังไงเขาจะอยู่ไปตลอดหรือเปล่ามีโรคหรือไม่มีโรคเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเขาก็ต้องตายอยู่ดีไม่ใช่เลยมีใครไปห้ามความตายได้หรือเปล่าเอมีใครไปห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือเปล่านี่คือปัญญาเห็นอนิจจังของร่างกาย เห็นร่างกายว่าไม่เที่ยงถ้าไปยึดติดกับร่างกายที่ไม่เที่ยงก็จะต้องทุกข์เวลาเขาอยู่ก็สุขแต่พอเวลาเขาไปก็ทุกข์ขึ้นมาที่ทุกข์พรอยากไม่ให้เขาไปแต่ถ้ามีความเฉยเฉยจะไม่เดือดร้อนเวลาเขาจากไปเขาจากไปคนที่เราไม่รู้จักเราไม่เดือดร้อนใช่เวลาเขาจากไปคนเพื่อนบ้านอยู่ข้างบ้านเราเขาตายเนี่ยเราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีความอยาก ในตัวเขาไม่ได้อยากให้เขาอยู่นั่นแหละถึงจะรู้ว่าอาความทุกข์ใจของพวกเรล่านี้อยู่ที่ความอยากของเราแล้วผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมคือพระสุวดาณมันเนี่ยจะมาแก้ความอยากที่ใจทุกข์ก้าความทุกข์ที่ใจหยุดความอยากที่ใจด้วยการสอนใจให้เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งที่อยากทุกสิ่งที่เราอยากได้นี่เป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้น เป็นอน NI ิจจังไม่เที่ยงควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาสัง่งให้มันไม่แก่ไม่ได้สั่งให้มันไม่เจ็บไม่ได้สั่งให้มันไม่ตายไม่ได้มันไม่ได้เป็นของเราถ้าเราอยากให้มันไม่แก่พอมันแก่มันก็จะทำให้เราทุกอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทำให้เราทุกอยากให้มันไม่ตายพอมันจะตายมันก็จะทาให้เราทุก แต่ถ้าเรารู้ว่าเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เราก็ทำใจเฉยๆอยู่กับมันไปตามมีตามเกิดมึงจะแก่ก็แก่ไปมึงจะเจ็บก็เจ็บไปมึงจะตายก็เรื่องของมึง <c oughs> ก็จะไม่ทุกข์กับมันเนี่ยพอไม่ทุกข์แล้วนี้ก็มีดวงตาเห็นธรรมนะเห็นแล้วว่าอวิธีเห็นอริยสัจสี่ทุกเกิดจากความอยากทุกดับด้วยการมีปัญญาเห็นไตรลักษ พอเห็นไตรักก็จะละความอยากได้หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจก็หายไปเลยไม่สงสัยว่าคำสอนนี้มาจากไข่ก็คำสอนนี้มาจากพระพุทธเจ้าก็ไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีเมื่อมีคำสอนก็ต้องมีคนสอน ผู้ใดเห็นคําสอนผู้นั้นเห็นคนสอนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นคนสอนคือเห็นพระพุทธเจ้าและผู้ที่จะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นคําสอนก็คือผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระสงฆ์นี้เองเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาก็เลยไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่เพราะตัวเองก็ได้กลายเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วจะไปสงสัยว่าตัวเองเป็นพระสงฆ์หรือไม่ มันไม่สงสัยมันเป็นสันติโกมันรู้อยู่ในใจว่าตอนนี้เราเป็นพระอริยาแล้วตอนนี้เราไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเพราะเราเห็นว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเราเลยไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมัน เนี่ยเรื่องเราในโลกนี t t But, okay. ้มีมากมายกายกองเราไม่เห็นทุกข์กับมันเนี่ยเพราะเราไม่ไปยุ่มกับมันเนี่ยแต่ยห้เรื่องใกล้ตัวเรานี่เราชอบไปยุ่มกับมันเนี่ยเรื่องคนใกล้ตัวเรานี่เรื่องคนที่เรารู้จักเนี่ยเรื่องของที่อยู่กับเราเนี่ยเราไปทุกข์กับมันเพราะเราไปหลงไหลไปคิดว่ามันเป็นของเราแลวอยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆเป็นของเราไปนานๆ แต่พอมีเหตุการณ์ที่จะมาทำให้มันจากเราไปเราก็ไม่สบายใจทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราไม่มองว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะต้องมาแล้วก็ไปมีเกิดแล้วก็มีดับเนี่ยผู้มีดวงตาเห็นธรรมจะเห็นอนิจจงสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเนเี่ร่างกายเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายไปเป็นธรรมดา ข้าวของที่ได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็กลายเป็นเศษขยะไปใช่ไหซื้อมาใช้ได้ไม่กี่ปีเดี๋ยวก็พังแล้วใช้ไม่ได้แล้วโยนทิ้งไปของทุกอย่างเป็นอย่างนี้มีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมที่ทุกข์เพราะอยากให้มันไม่เสื่อมอยากให้มันไม่ดับเพราะไม่มีปัญญาไม่มีความเห็นว่าทุกอย่างมันต้องดับ ถ้าใครเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องดับแล้วจะไม่ค่อยไปจะไม่ค่อยทุกข์กับอะไรเพราะจะไม่ไปอยากให้เขาไม่ดับเนี่ที่ทุกข์กันเพราะพราะว่ายังมองไม่เห็นว่าของที่เราทุกข์ด้วยนั้นมันจะต้องดับแต่เราไม่อยากให้มันดับไม่อยากให้เขาจากเราไปเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาเท่านั้นเองนี่แหละถ้าใครลองได้ปฏิบัติจนได้บรรลุขั้นที่หนึ่งคือขั้นโสดาบันแล้วเนี่ย ความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้หายไปหมดไม่ต้องไปประเทศอินเดียให้เสียเวลารับประกันไม่มีใครไปนอกจากว่าถูกบังคับถูกเชิญให้ไปแต่ความอยากจะไปเองนี่ไม่มีนเี่ยหลวงปู่มั่นลงมาตั้งแต่หลวงปู่มั่นนี่ยังหลวงปู่มั่นท่านก็ยังไม่เคยไปอินเดียสักทีท่านไม่ไปไปทําไมไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทําไมในเมื่อมันอยู่ในใจของท่านแล้ว ในเมื่อท่านเจอของจริงแล้วไปที่นั่นก็ไม่เจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกอะไปเจอเพียงแต่ซากประหลักหักพังไปเจอสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่ที่พระสงฆ์เคยเคยฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่ไม่มีพระไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในที่เหล่านั้นไปถึงก็ต้องอาศัยไกดเป็นคนคอย เล่าเหตุการณ์ให้จินตนาการให้นึกภาพออกมาว่าตรงนี้นะพระพุทธเจ้าคลอดออกมาจากท้องแม่นะแล้วเดินเจ็ดเก้าตรงนี้นะีน่นับเลยเนี่ยเก้านี้เก้าที่หนึ่งเก้าที่สองอันนี้ก็ให้ต้องมีคนมาเล่าถ้าไม่มีคนมาเล่าไปเที่ยวเองไม่รู้ไปดูอะไรเชื่อมะนี่เหรอคือที่เกิดพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เหรอไม่รู้ ต้องมีคนเข้ามาวาดภาพให้ดูวเป็นอย่างนี้นะช่วงนั้นมีอากาศอย่างนั้นมีอากาศอย่างนี้สู้สูสร้างศรัทธาด้วยการปฏิบัติ ด, ดีกว่าถ้าทำได้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปเสียเวลาไปแล้วก็ได้ศรัทธาเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้ปัญญาไม่ได้วิมุตติ ไม่ได้การหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยแต่ถ้าปฏิบัตินี้ได้ทั้งศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันจะไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายต่อไปพระโสดาบันนี้จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ ทำมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวตายไปก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปไม่เราไม่มีในร่างกายเราเป็นผู้ใช้ร่างกายแต่เราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราเป็นเหมือนคนขับรถเราไม่ได้เป็นส่วนประกอบของรถรถพังคนขับรถไม่ได้พังไปกับรถเพราะคนขับรถเป็นอีกส่วนหนึ่ง เราคือใจผู้สั่งให้ผู้สั่งผู้ใช้ให้ร่างกายให้ทําอะไรต่างๆไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเห็นเวลาร่างกายเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นไปกับร่างกายร่างกายแก่เราก็ไม่ได้แก่ไปกับร่างกายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายร่างกายตายเราก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็เลยไม่มีความทุกข์ใจกับร่างกายเพราะมีดวงตาเห็นธรรม เห็นว่าน่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่เที่ยงเป็นอนิจจังอนัตตาไม่ใช่ตัวเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้มันเป็นเหมือนธรรมชาติเหมือนดินเหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนเหมือนลมพัดนี้ไปสั่งให้ลมหยุดพัดไม่ได้ไปสั่งให้ลมพัดไม่ได้มันเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติ ถ้าไปอยากเราจะทุกข์ลมไม่พัดอยากให้มันทุกข์ก็ทุกข์แล้ว้ทําไมลมไม่พัดร้อนลักเกินหรือลมพัดแรงไปก็อยากจะให้มันหยุดพัดพอมันไม่หยุดก็ทุกข์อีกนี่ก็เหมือนกันร่างกายก็เป็นเหมือนลมเนี่ยเป็นธาตุสี่เนี่ยมีธาตุลมอยู่ในร่างกายมีธาตุน้ำมีธาตุดินมีธาตุไฟจึงทําให้มีร่างกายนี้เกิดขึ้นมาได้แนี่คือปัญญาของผู้ที่ จะต้องการปล่อยวางร่างกายเนี่ยต้องพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาของร่างกายร่างกายเป็นอ น, นิจจังยังเป็นยังไงถึงเรียกว่าอ น, นิจจังเกิดแล้วดับไงไม่เที่ยงไงไม่ใช่เกิดแล้วก็จะอยู่เหมือนอย่างนั้นเกิดแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอ น, นิจจังแปลว่าเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆไม่ไม่เหมือนเดิมพอเกิดมาจากท้องแม่ก็เป็นตัวนิดนึงเดี๋ยว อยู่ไปสักพักเอาโตขึ้นโตขึ้ น, นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนยพอใหญ่เต็มที่แล้วก็เริ่มเขียวลงะเริ่มแก่ลงเริ่มแก่ลงเริ่มหดตัวตอนต้นก็ขยายตัวพอขยายเต็มที่แล้วทีนี้ก็เริ่มหดตัวเลยหดตัวตัวตเหนืยวในะที่สุดก็เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเห็นไหมคนแก่นี่ไม่มีอะไรเนื้อหนังไม่มีแต่หนังไม่มีเนื้อนี่ก็คืออันนี้จังไม่เที่ยง ร่างกายเป็นอย่างนี้ต้องเห็นต้องต้องไม่ลืมด้วยเห็นแล้วพวกเราเห็นแต่เราลืมกันเราลืมว่าร่างกายเราจะต้องตายกันร่างกายจะต้องเจ็บกันเรารู้ว่ามันต้องเจ็บเราไรู้ว่ามันต้องตายแต่เราลืมพอเราลืมเราก็เลยเกิดความอยากไม่ให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายพอเกิดความอยากว่าพอได้ข่าวว่าละมีโรคภัยระบาดนี่ก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเ้ยกูขึ้นเครื่องคราวนี้จะโดนหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวกลับไปบ้านเนี่ยเกิดเขาตรวจเจออุณหภูมิสูงเนี่ยเขาบอกกลับบ้านไม่ได้แล้วต้องไปกักตัวอยู่สิบสี่วันนี่ก็คือความทุกข์เนี่ยเพราะไปคิดว่าร่างกายนี้มันมันเจ็บไม่ได้มันตายไม่ได้ไปอยากให้มันไม่เจ็บไปอยากให้มันไม่ตายแต่ถ้ายอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายจะไม่เดือดล้อเจ็บก็เจ็บ กักตัวก็กักตัวทำยังไงได้ห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บมันก็ต้องเจ็บรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันจะตายก็ต้องปล่อยให้มันตายไปถ้าปล่อยมันได้เพราะรู้ว่ามันต้องตายไม่ช้าก็เร็วไม่มีโรค ก, ก็ต้องตายอยู่ในที่ปลอดภัยที่สุดในโลกนี้ก็ต้องตายเอาไปอยู่ในห้องเก็บเงินของธนาคารที่ปลอดภยัยเดี๋ยวก็ต้องตาย มันไม่ตายจากของภายนอกมันก็ตายจากของภายในร่างกายนะพรับธรรมชาติของร่างกายมันต้องตายออเมื่อมันเกิดแล้วมันเหมือนมันเหมือนกลับไปจุดชนวนของลูกระเบิดเนี่ยพอเกิดปั๊บก็จุดชนวนชนวนมันก็วิ่งไปเดี๋ยวพอถึงตัวลูกระเบิดมันก็ระเบิดตูมร่างกายพอเกิดปั๊บเดี๋ยวมันก็วิ่งไปสู่ความแก่วิ่งไปสู่ความเจ็บ แล้วันที่สุดมันก็ไปสู่ความตายต้องพิจารณาอย่างนี้จนกระทั่งใจมันเห็นชัดเจนตลอดเวลาได้ยอมรับด้วยยอมรับเราจะทำให้ไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายถ้ายังกลัวอยู่ก็แสดงว่ายังเห็นไม่ชัดยังยั ง, ย, งยังคิดว่ายังไม่ไม่แก่ได้ยังคิดว่าไม่เจ็บได้ยังคิดว่าไม่ตายได้อยู่ แต่ถ้าพิจารณาอย่างรอบคอบเราจะเห็นว่าไม่มีทางหนีเลยเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายนี้หนีไม่พ้นไม่มีช่องหนีเลยงั้นวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์ก็คือต้องยกธงขาวยกมือขึ้นยอมแพ้ยอมแพ้ความแก่ยอมแพ้ความเจ็บยอมแพ้ความตายยอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บยอมรับความตายพอรับได้แล้วทีนี้ไม่ทุกข์กมันเลย พรอเราหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายได้พอรู้ว่าอยากไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอยากไม่แก่ก็ไม่ไปห้ามความแก่ได้อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้อยากไม่ตายก็ห้ามความตายไม่ได้ช่วยยอมตายดีกว่ายอมเจ็บดีกว่ายอมแก่ดีกว่าสบายกว่าไม่ต้องไปทําสาวไม่ต้องไปทําหนุ่มไม่ต้องไปทําผมไปทําอะไรให้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ทำเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็เหี่ยวมาดึงหนังให้มันเต่งไม่กี่ปีเดี๋ยวมันก็เหี่ยวอกีกยอมผมไปไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็ขาวอกีกเดี๋ยวมันก็งอกอกีกเนี่ยเนี่ยสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายยังอยากสวยยังอยากงามยังอยากให้เขาเขารักเราชอบเราอยู่ยมันก็เลยทําให้ทุกข์ เขารักเราชอบเราในวันนี้แต่พรุ่งนี้เขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้เพราะเขาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันวันนี้เขาอาจจะรักเราชอบเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาอาจจะเบื่อเราขึ้นมาก็ได้แล้วความทุกข์ก็เข้ามาใหม่ตอนที่เขารักเราชอบเราเราก็สุขพอเขาเบื่อเราเขาไม่ชอบเราขึ้นมาเราก็ทุกข์อีกแล้ว เพราะเขาก็ไม่เที่ยงอย่างเขาก็นิจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันทุกอย่างที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยมันเป็นนิจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอยากได้เขามาให้ความสุขกับเราเปัญหาก็จะไม่มีอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าอยู่กับความว่างเนี่ยเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะไม่มีความทุกข์ พอไม่มีทุกข์ใจมันก็สุขเองไม่ต้องไปหาความสุขจากที่ไหนเพียงแต่ความกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจด้วยการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เท่านั้นเองอย่าไปมีอะไรถ้ามีก็อย่าไปยึดอย่าไปอยากอยู่กับมันไปมันจะดีจะชั่วก็อยู่กับมันไปมันจะเจริญเนือจะเสื่อมก็อยู่กับมันไ ป, นจจนไปถ้าต้องอยู่กับมัน ถ้าไม่ต้องอยู่กับมันก็อยากไปมีมันดีกว่าไม่มีอะไรนั้นมันจะไม่มีทุกข์พอมีอะไรปั๊บมันต้องมีทุกข์เพราะสิ่งที่มีสิ่งที่มีมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างเป็นตายรักตายรักมีคําว่าทุกขังอยู่อันนี้จังมันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันทุกข์เพราะเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ ไปทําให้มันเป็นตามความอยากของเราเสมอไปไม่ได้มันจึงทําให้เราทุกข์กันผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะไม่อยากจะมีอะไรล้วมีอะไรก็อยากจะปล่อยวางให้หมดเนี่ยพระสุวดาบานก็ปล่อยวางร่างกายแล้วแต่ยังไม่ได้ปล่อยลูกเมียเนี่ขั้นต่อไปก็ต้องไปปล่อยลูกปล่อยเมียปล่อยสามีเนถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องไปปล่อยสามีป่อย รออยู่กับสามีอยู่กับภยรรยาเดี๋ยววันดีเกินดีเขาจากไปก็จะทําให้เหงาเลยอยู่คนเดียวแล้วก็จะเหงาก็ต้องพิจารณาว่าเราไปรักสามีภยรรยาเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าเขาสวยเขางามแล้ววิธีที่จะทําให้เราไม่ไปรักเขาทํำยังไงก็ดูส่วนที่เขาไม่สวยไม่งามสิเขามีทั้งส่วนที่สวยงามมีทั้งส่วนที่ไม่สวยงาม เราไปดูส่วนที่สวยงามเราก็รักเขาชอบเขาขึ้นมาสิพอเราไปมองส่วนที่ไม่สวยงามของเขาเราก็ไม่ชอบเขาขึ้นมาทันทีไปดูข้างในข้างร่างกายไปดูที่ใต้ผิวหนังอย่าดูแต่ที่ผิวหนังอยู่ที่ข้างนอกข้างนอกเขาแต่งได้เขาแต่งเขาทำให้ดูสวยได้ทาสีทาอะไรได้แต่ข้างในเขาทำเขาเขาทำไม่ได้ เขาไปทำให้ไส้มันสวยไม่ได้เขาไปทำให้โครงกระดูกมันน่ารักไม่ได้เขาไปทำให้ปอดหัวใจมันน่าดูไม่ได้พอเราเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นโครงกระดูกของเขาแล้วทีนี้รับรองได้ว่าความรักหายไปหมดหายไปไหนไม่รู้ความน่ารักมันหายไปแล้วความรักมันจะมาได้ไงมีแต่ความน่าเกลียดโผล่ขึ้นมาให้เห็น พอเกิดความน่ากเกลียดมันก็เกิดความชังขึ้นมามันก็เกิดความเกลียดขึ้นมานี่คือวิธีของพระที่จะต้องละขั้นต่อไปก็คือละครอบครัวละสามีะละภรรยาเพราะมีแล้วทุกข์เพราะมีแล้วเดี๋ยวบางทีก็ดีกันบางทีก็โกรธกันบางทีก็อยู่ด้วยกันบางทีก็ต้องแยกกันอยู่พอแยกกันอยู่ก็เหงาพออยู่ด้วยกันก็ทะเลาะ ก, กัน มันก็มีความสุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนที่ไม่ทะเลาะกันพอตอนไหนทะเลาะกันความสุขก็หายไปเวลาตอนไหนต้องไปธุระไปอยู่คนแยกกันอยู่ก็เหงาอีกเงี้นสู้อย่ามีดีกว่าหยุดความอยากมีแฟนอยากมีครอบครัวดีกว่าอยากมีสามีอยากมีภรรยาพอหยุดได้แล้วมันไม่เหงาเนะีที่มันเหงาเพราะความอยากอยากมีแฟนเท่านั้นเอง พอความอยากมีแฟนหายไปมันอยู่คนเดียวมันกับสบายกว่าไม่วุ่นวายสงบไม่ต้องยุ่งกับใครไม่ต้องเอาคอยเอาใจใครไม่ต้องมาคอยทะเลาะกับใครไม่ต้องมาคอยเป็นห่วงกันเนีปัญหาที่อยู่คนเดียวไม่ได้เพราะความอยากเพราะเวลาคิดถึงใครมักจะไปคิดว่าเขาสวยเขางามเขาน่ารักไม่เคยไปคิดว่าเขาหน้าเกลียดหน้าช่างไม่เคยไปเห็นส่วนที่ไม่น่ารัก เพราะส่วนที่ไม่น่ารักมันต้องขุดเข้าไปข้างในถึงจะเห็นต้องเจาะเข้าไปข้างในต้องใช้ตาในคือปัญญาถึงจะเห็นอสุภะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามถ้าใช้ตาเนื้อมันจะเห็นแต่ส่วนที่สวยงามเพราะคนที่เขาออกมานอกบ้านเขาไม่เอาของไม่สวยงามออกมาก่อนจะออกมานอกบ้านนี้เขาต้องดูกระจกก่อนแล้วสวยไหมหล่อไหมไปวดัดไปวาได้หรือเปล่า ถ้าใส่ชุดนอนนี่เขาไม่ออกมานอกจากเกิดไฟไหม้เกิดหเหตุการณ์ฉุกเฉินนะี่นะถึงจะใส่ชุดนอนวิ่งออกมานอกบ้านแต่ถ้าปกติแล้วโอ้ยกว่าจะออกนอกบ้านนั่นี่นั่งแต่งกันบางทีเป็นชั่วโมงเหมือนไปจะไปเล่นละคระเวลาออกนอกบ้านนี่เหมือนจะไปขึ้นเวทีละครกันต้องสวยต้องงามต้องหลอ่อต้องหน้าดู นั่นล่ะเป็นเป็นการหลอกกันเนี่ยพวกเราถูกหลอกกันเวลาเราเห็นคนนั่นคนนี้น่ารักน่าสวยน่า ง, งามนี่เพราะเราไม่มีตาที่มองทะลุเข้าไปข้างในเราไม่มีตาซูเปอร์แมนเนี่ยไม่มีตาเอ็กซ์เลยแต่เราสร้างตาเอ็กซเยขึ้นมาได้ด้วยการไปดู เช่นไปดูซากศพก็ได้ถ้าอยากจะดูว่าภายใต้ผิวหนังในร่างกายมีอะไรบ้างก็ไปที่โรงเรียนแพทยโ์โรงพยาบาลที่สอนนักศึกษาแพทย์เขาจะมีการผ่าศพทุกวันให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในของร่างกายแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีภาพวาดภาพถ่ายของอวัยวะต่างๆให้ดูเราสามารถศึกษา สร้างตาเอ็กซเลขึ้นมาได้ด้วยการไปดูภาพเหล่านี้เสร็จแล้วก็เอามานึกเ็ามาคิดอยู่บ่อยๆถ้าดูแล้วปั๊บเดียวแล้วไม่คิดมันลืมได้อยาบบนักศึกษาแพทย์นี่ลืมหมดเนี่ยพอออกจากห้องศึกษาปับ๊บพอเห็นคนนั้นคนนี้ก็สวยหล่อเหมือนเดิมเพราะเขาไม่เอาภาพที่เขาไปไปดูในห้องผ่าศพมาติดไว้ในใจเขา จะติดไว้เฉพาะช่วงที่เขาไปทําข้อสอบเท่านั้นว่าหัวใจอยู่ตรงไหนปลอดอยู่ตรงไหนลำไส้อยู่ตรงไหนแต่พอไม่ต้องสอบแล้วพอเรียนจบแล้วเนี่ยเขาไม่ไปสนใจแล้วเขาไม่ไปมองมันละเพราะใจเขาไม่ชอบมองของพวกพวกนี้เขาชอบมองแต่ของสวยๆงามๆเนี่ยเป็นหมอเป็นพยาบาลจึงมีสามีมีภรรยากันเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายแต่เห็นนิดเดียวเห็นแป๊บเดียวแล้วก็ลืมน ต้องมาพอเห็นแล้วต้องเอามาคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งมันจําได้พอมองเห็นร่างกายจะมันจะทะลุเข้าไปเลยมันจะมองเห็นข้างในด้วยมันไม่ใช่เห็นแต่เฉพาะข้างนอกพอเห็นร่างกายของใครนี่มันจะทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังทันทีมันจะเห็นปอดเห็นลำไส้เห็นตับเห็นไตเห็นโครงกระดูกเห็นอะไรต่างๆ ถ้ามันเห็นอย่างนั้นต่อให้เห็นหนางงามจั ก, กรวาลเห็นดาราภาพยนตร์มันก็รู้สึกเฉยเฉยมันยังไม่ได้ไปตื่นเต้ น, ป น, ปนไปดีอกดีใจไปรักไปไข่แต่อย่างใดมันก็จะลกความอยากมีแฟนได้แล้วมันก็จะไม่เหงาเพราะเวลาไม่มีความอยากนี่ใจจะสงบใจจะนิง่งใจจะเย็นใจจะสบายเป็นความสุขที่ดีกว่าการได้ความสุขจากการมีแฟน ก็จะทำให้ไม่ต้องมีแฟนได้มีอะไรอยากมีอะไรก็ต้องตัดมันไปให้หมดตัดความอยากต่างๆไปที่มีอยู่ในใจพอตัดเรื่องร่างกายไปหมดแล้วมันก็ยังมีเรื่องอารมณ์อยู่ภายในใจเรายังมีอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเราก็ชอบแต่อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ ด, มมดีเราก็เครียดขึ้นมา เราก็ต้องศึกษาแล้วปล่อยวางอารมณ์อย่าไปชอบอารมณ์ดีถ้าเราไม่ไปชอบอารมณ์้วเราก็จะไม่เกลียดอารมณ์เลยปล่อยให้มันเกิดแล้วมันดับไปต่อไปความอยากต่างๆมันก็จะหมดไปจากใจของเราเมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วทีนี้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรเมื่อไม่มีความทุกข์ใจก็จะมีแต่ความสุขความสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุข พระพุทธเจ้าบอกความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การไม่มีอะไรศูนย์ยังนิบานังประมังศูนย์ยังการไม่มีอะไรนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งการไม่มีความไม่มีอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นความว่างอันสุดยอดก็คือไม่มีอะไรเลยไม่มีร่างกายไม่มีแฟนไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไรที่มาที่เราจะไปติดไปเสพมัน ใจก็จะว่างจะสงบจะมีความสุขไปตลอดเนี่ยแล้วก็จะทําให้ไม่ต้องมาหาร่างกายหาคนนั้นคนนี้หาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปใจก็จะบริสุทธิ์ใจก็จะอิ่มใจก็จะสบายไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือ ผลที่เกิดจากการศึกษาและปฏิบัติธรรมที่จะทําให้เกิดมีศรัทธาและจะทําให้เกิดผลที่เกิดจากการปฏิบัติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดและความสุขของพระนิพพานที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไปอินเดียได้ ก็ไปถ้ายังไม่มีศรัทธาคิดว่าถ้าไปแล้วพอกลับมาแล้วจะขยันทําบุญมากขึ้นจะรักษาศีลมากขึ้นจะปฏิบัติธรรมมากขึ้นไปก็ดีนีแต่ถ้าไปแล้วกลับมาก็เหมือนเดิมก็อย่าไปก็ได้เสียงเงินเปล่าๆไปเพื่อไปเสริมศรัทธาหรือไปสร้างศรัทธาให้เกิดถ้าไปแล้วไม่เกิดก็ เก็บเงินไว้ทําอย่างอื่นดีกว่าเสียเวลาก็เหมือนกับไปเที่ยวเท่านั้นเองไปเที่ยวก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรไปเที่ยวมันก็เพลิดเพลินเดี๋ยวเดียวดับความทุกข์ได้เดี๋ยวเดียวดับความทุกข์ที่เกิดจากการเบื่อหน่ายอยู่บ้านอยู่ที่เดิมมันเบื่อเลยต้องย้ายที่หน่อยไปเที่ยวตรงนู้นหน่อยชีวิตจะได้มีชีวิตชีวาขึ้นมามีความสุขขึ้นมาแต่เดี๋ยวเดียวพอกลับมาบ้านก็เหมือนเดิมอีก ถ้าอยากจะให้ชีวิตเรามีชีวิตชีวาไปเรื่อยๆมีเมื่อเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆต้องเอาการศึกษาฟังเทศฟังธรรมดีกว่าอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศจากพระอริยสงฆ์แล้วก็นำเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าชีวิตจะมีชีวิตชีวาทุกวันเลยเพราะจะมีศรัทธามีฉันทะวิริยะ มีความยินดีที่จะปฏิบัติธรรมที่จะทำบุญที่จะรักษาสิงที่จะนั่งสมาธิที่จ ะ, จะเจริญปัญญาแล้วทำให้จิตใจนี้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นความทุกข์ต่างๆมีน้อยลงไปเรื่อยๆจนหายไปหมดความทุกข์จนจำไม่ได้ว่าความทุกข์เป็นอะไรพราะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่ก็คือเรื่องของการไป สังเวชนิยสถานทั้งสี่ที่ประเทศอินเดียที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสาคลัง เอวเมวะฮิตโตทินนางเฟตานังอุปการปฏิอิทิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจฉาตุสาเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาราโสยธามณีโชติ อระโสยทัสสะพิธิโยวิวัจจันตุสัพพโรโววินาศตุมาเตภวตวันตราโยสุขีธีกายุโกภวะ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 เพราะหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะต้องทำอะไรอย่างอื่นอีกถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ค่ะวันนี้ทาง f ฟ c e b o o ห้าร้อยเก้าสิบสี่ค่ะทาง y o u t u สามร7อยเจ็ดสิบเจ็ดวิดีุออนไลน์สิบสองรับฟังบนข่าวหกสิบสามรวมทั้งสิ้นหนึ่งพันสี่สิบหกท่านค่ะ ใครอยากจะถามอีกไหมอ่าส่งกลับไปที่ที่เมื่อกี้เขาถามนะคะเยอเอ่อระหว่างที่ชั้นสี่เปรียบเทียบชั้นสี่ที่นั่งนั่งสมาธิเป็นกิจจลักษณะ กับที่เมื่อออกมาแล้วพยายามทรงอารมณ์นั้นไว้ได้มันไม่เป็นฌานสีแล้วแต่มันก็เป็นความสงบแต่มันไม่ฟุ้งซ่านเหมือนตอนที่ไม่ได้มีสมาธิมันจะไม่คิดปรุงแต่งเหมือนตอนที่ไม่มีสมาธิออกจากสมาธิมามันก็จะเย็นจะเฉยแต่มันไม่ได้เป็นฌานสีแล้วแต่มันก็มีอุเบกขามันก็เฉยมันไม่ค่อยมีอารมณ์กับอะไร เห็นอะไรเมื่อก่อนชาดุ้งโกรธเกลียดขึ้นมาแต่พอมีสมาธิเหมือนกับเหมือนคนฉีดถูกฉีดยาสลบออกจากออกจากยาสลบใหม่ๆมันก็ยังเบลอๆอยู่อย่างนั้นนะยังไม่มี reaktion นักชังโกหลงยังไม่ไม่เกิดหรือเกิดน้อยเพราะฤทธิ์ยาฤทธิ์ของชาญสีมันยังยังติดอยู่ในใจอยู่ค่ะแล้วแล้วที่ที่วิธีฝึกที่บอกว่า อลงไปคิดแล้วรู้ใหพุโทโธพุธโทโธอยู่หรือว่าตามลมหายใจอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ความคิดผุดขึ้นมา ก, ก็ให้รู้แล้วก็พุโทโธต่ออะไรแบบนี้นอย่าไปรู้มันอย่าไปตามคิดยิ่งคิดมันก็ยิ่งคิดใหญ่ค่ะใหกลับมาที่พุโทโธกลับมาที่ลมค่ะอันไหนมีความสําคัญมากกว่ากันระหว่างตื่นกับ ที่นั่งเป็นกิจจานุสนาคือเราพยายามที่จะฝึกให้อยู่ในชีวิตประจําวันได้โดยที่ไม่หลงไปคิดของขั้นต้นมันต้องมีสมาธิก่อนถึงจะไปฝึกให้ไม่หลงได้ก็ต้องอาศัยนั่งให้เป็นกิจจานุสนาให้มีอุเบกขามากๆเวลาออกมาก็ยังมีอุเบกขาอยู่จะได้ใช้อุเบกขานั้นต้านความโลภความโกรธความหลงได้เวลาใช้ปัญญา ก็คือจะทิ้งการนั่งไม่ได้เลยอ๋อไม่ได้ต้องผ่านสมาธิก่อนต้องมีสมาธิก่อนมีอัปปนาสมาธิมีอุเบกขาก่อนถึงจะใช้ปัญญาพิจารณาปล่อยวางได้ค่ะยมนึกว่าไม่ต้องนั่งแต่ว่าเดินจงกรมหรือว่าทามันได้น้อยไงเดินจงกรมมันไม่มันไม่ได้เต็มร้อยมันไม่ลงไปอมันได้ลงไปเลยไม่ไปถึงฐานของจิต ไม่ไปเห็นตัวต้นปัญหาคือตันหาความอยากไม่เห็นความทุกข์ที่อยู่ในใจอืมันก็นนยังไปคิดว่าอยู่ข้างนอกอยู่อืมนั่นคือถีติที่หลวงพ่อเคยบอกอ่าถีติภูตังอะไรเนี่ยใช่ไหมจิตเดิมว่าไปสู่จิตเดิมไปสู่ฐานจิตที่สงบแต่ไม่ใช่เป็นจิตบริสุทธ์เท่านั้นเพราะว่ามันยังมีกิเลสอยู่ต้องเข้าไปตรงนั้นก่อนไปไปอยู่ที่ฐานแล้วจะได้เห็นสัจธรรมเห็นอริยสัจ แล้วจะได้ใช้ปัญญากำจัดมันได้ต่อไปค่ะคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k นะคะจากคุณขันห้าค่ะขอถามถามขอถามแทนชายคนหนึ่งธรรมะทั้งหลายที่เขาเคยได้ยินได้ฟังมาจากหลวงปู่หลวงตาสายหลวงปู่มั่นและเคยได้อ่านตำรามาก็ตามความรู้สึกเพียงแต่รู้ แต่ไม่ได้ทำตามเขารู้ตัวเขาดีเขายังยินดีพอใจยังติดสิ่งเหล่านั้นอยู่อยากทราบว่าความรู้ของเขาสักเพียงแต่รู้ไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมครับเคอเป็นความรู้ที่เอาไปกำจัดกิเลสไม่ได้ต้องเอาไปปฏิบัติต้องสร้างพลังคืออุเบกขาขึ้นมาจากสมาธิก่อนแล้วก็ความรู้ที่เห็นว่าทุกอย่างเป็นตายักมาสอนใจให้ปล่อยวาง ค่ะคำถามจากคุณแม่ชีรัชดาวันนะคะถ้าครูบาจารย์ละสังขารและแม่ชียังตั้งหลักใจไม่ได้ต้องทําไงต่อดีคะก็ตั้งต่อไปเลยมันไม่ได้อยู่ที่มีครูบาจารย์หรือไม่มีครูบาจารย์อยู่ที่มีสติแล้วไม่มีสติก็ตั้งสติต่อไปพุทโธต่อไปเดินจงกรมนั่งสมาธิ ถามจากแม่ชีท่านเดิมนะคะมีอีกสองคำถามค่ะอยากเป็นพระโสดาบานันต้องปฏิบัติอย่างไรคะก็ต้องฝึกสติก่อนให้เกิดสมาธิให้เกิดอัปปนาสมาธิหลังจากมีอัปปนาสมาธิก็ไปฝึกปัญญาไปพิจารณาไตรลักษณ์ในร่างกายในขันธ์ห้าเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาห้ามันไม่ได้ต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องรับ ความแก่รับความเจ็บรับความตายให้ได้ไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เป็นโสดาบันได้แต่ไม่ได้เป็นพวกคิดนะต้องไปเจอความแก่ต้องไปเจอความเจ็บต้องไปเจอความตายแล้วปล่อยมันจริงๆเช่นไม่สบายไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งแล้วรักษาไม่หายแล้วเนีย่ยตอนนั้นแหะจะได้รู้ว่าปล่อยร่างกายได้หรือไม่ถ้าไม่ไม่ทุกข์ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความตาย กับโรคมะเร็งก็ถือว่าปล่อยได้ถ้าวุ่นวายใจโอ้จะไปหาหมอที่ไหนดีจะรักษาอย่างไงดียังไม่อยากตายเนี่ยแสดงว่ายัางละไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะตายค่ะอีกคำถามนึงนะคะจิตชอบส่งออกเพ่งโทษคนอื่นแก้ไขยังไงดีคะก็ไม่มีสติเนี่ยแหละแล้วก็หนึ่งมันมีถ้ามีพุโทโธพุโทโธมันก็ไม่ออกแล้วถ้ามันออกก็ต้อง ก็ต้องย้อนสอนว่ามึงไปดาา่าคนทำไมด่าตัวมึงดีกว่าด่าคนอื่นได้อะไรด่าตัวเองได้ประโยชน์กว่ามองเพ่งโทษตัวเองไม่ดีกว่าเลยเมื่อตัวเองผิดจะได้แก้ได้ไปเพ่งโทษคนอื่นแล้วไปแก้เขาได้ไงใช่ไหม แก้เขาได้เราก็ไม่ได้ประโยชน์เขาได้ประโยชน์งั้นไปเพ่งโทษคนอื่นให้เสียเวลาทําไมคนอื่นมีเป็นแสนเป็นล้านจะไปเพ่งไหวเลยเพ่งคนเดียวก็พอเพ่งตัวเรานั่นแหละเพ่งโทษในตัวเราพอรู้แล้วว่านิสัยนี้ไม่ดีก็ปิดหยุดมันนั่นเองนิงนสัยชอบเพ่งโทษคนอื่นว่าไม่ดีก็นี่ก็เพ่งโทษตัวเราเองละมึงไม่ดีเองนังหากไปเพ่งโทษเขาทําไมดา่าด่าตัวเองสิอย่าไปด่าคนอื่นด่าตัวเองไม่ยาก ไม่เป็นไรด่าได้ฆ่ากิเลสตัวเองได้แต่อย่าไปฆ่าคนอื่นอย่าไปว่าคนอื่นเดี๋ยวก่อนเรื่องคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะถ้าผมอยากถือศีลแปดแต่ผมทํางานกลางคืนนอนหลับพักผ่อนช่วงกลางวันจะตื่นประมาณเที่ยงวันจะสามารถสลับมื้ออาหารเป็นมือแรกบ่ายสองมือที่สองไม่เกินหกโมงเย็นได้ไหมครับ ก็แล้วแต่แล้วแต่จะกาหนดเวลาว่าของเราจะเริ่มต้นตั้งแต่กี่โมงสลับกันจากกลางคืนมาจากกลางวันไปเป็นกลางคืนก็ได้ก็คือเป้าหมายก็คือไม่ให้กินมากเกินไปให้กินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอไม่ให้กินตามความอยากไม่ให้กินเพื่อเอาความสุขจากการกินมาดับความทุกข์ซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ อีกคำถามหนึงนะคะจากท่านเดียวกันค่ะถ้าเราถือสินแปดแต่ภรรยากับลูกไม่ได้ถือสินแปดด้วยและลูกยังเล็กมากสี่ถึงห้าขวบเท่านั้นเราจะไม่พาเขาไปเที่ยวไปเรียนรู้โลกภายนอกเลยเหรอครับเพราะการไปเที่ยวเล่นก็ทําให้เราถือสินแปดไม่ครบอ่าก็ไม่ต้องไปถือทุกวันก็ได้วันไหนจะพาลูกไปเที่ยวก็งดถือหนึ่งวันไปถ้ายังถือครบทุกวันไม่ได้ก็เอาเอาเอาขาเรียกว่า เอาตามความจำเป็นก็เกินรักษาตามความจำเป็นวันไหนรักษาได้ก็รักษาไปวันไหนรักษาไม่ได้ก็ผ่อนไปบ้างตอนนี้เรายังทำได้เพราะเราไม่ได้ไปบวชถ้าเราไปอยู่วัดถ้าไปอยู่วัดเน้่ผ่อนไม่ได้บอกว่าันนี้เดี๋ยวผมขอลาพาลูกไปเที่ยวสักสองชั่วโมงอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเรายังอยู่วัดอยู่นี่เรายังผ่อนหนักผ่อนเบาได้อยผ่อนสั้นผ่อนยาวได้อยู่ แต่พอถ้าเราไปอยู่วัดไปอยู่ที่ที่เขาเขร่งครัดแล้วเราก็ต้องทําตามเขาอืคําถามจากคุณเพชรน้ำหนึ่งค่ะมีสคําถามนะคะการอยู่กับทุกข์ให้เป็นคืออยู่อย่างไรครับคือการอยู่กับทุกข์ให้เป็นก็คืออยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์กับมันไง ปล่อยมันทุกไปเช่นนั่งกายปวดท้องปวดหัวก็อย่าไปทุกข์กับมันเอรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันหายเพราะอยากเพราะความอยากมันจะทําให้เกิดความทุกข์อีกชั้นหนึ่งคือความทุกข์ใจขึ้นมาเราสามารถอยู่แบบไม่ทุกข์ใจกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยการไม่มีความอยากกับทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยเข่าไปตามเรื่องของเขาเขาจะทุกข์ก็ปล่อยเขาทุกข์ไป แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาคำถามที่สองนะคะถ้าทุกข์มากๆเราไม่น้อมจิตเพื่อหนีทุกข์เราจะข้ามทุกข์ได้หรือไม่ก็ลองดูสิมันถามเราทำไมนะคนบางคนเขามีปัญญาเขาข้ามทุกข์ได้ทุกข์บอกมีปัญญาบอกเกิดนะถ้ามีทุกข์ล้วต้องหาปัญญามาถ้ามีปัญญามันก็จะดับทุกข์นั้นได้ข้ามความทุกข์ได้ ปัญญาก็คือเห็นไตรลักษณ์ในเรื่องนั้นแหละที่ทําให้เราทุกข์เห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นอนาาัตตาเราไปอยากให้มันเป็นนิจจังอัตตามันก็เลยทุกข์เพราะมันไม่เป็นเอ๊ะนิจจังอัตตามันเป็นอนิจจังอนาาัตตาพอเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังอนาาัตตาก็ยอมมันไปยอมให้มันเป็นอนิจจังอนัตตายอมให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน ถามจะคุณวรัญญาค่ะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าภาวนาก้าวหน้าไหมคะถ้าสงบก็ก้าวหน้าถ้าไม่สงบก็ไม่ก้าวหน้าคําถามเรื่องศีลห้าค่ะการดํารงชีวิตประจําวันเราจะรักษาศีลห้ายังไงให้ไม่ผิดศีลคะคือบางทีเราก็บังเอิญไปฆ่าหมดตายโดยไม่ตั้งใจหรือบางทีเราก็พูดออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจบางทีก็โกหก เรื่องที่พูดออกไปไม่ได้จริงเอเพราะว่าไม่โกหกไม่ได้จริงๆค่ะเอก็ต้องมีวิธีลงโทษตัวเราเองสิเวลาเราทําผิดศีลก็หักเงินไปทําบุญเอาเงินที่จะไปเที่ยวไปทําบุญแทนนทุกครั้งทําผิดศีลข้าไหนก็ปรับร้อยบาทเอาเงินร้อยบาทที่ปรับนี่ไปทําบุญ ต่อไปมันก็อาจจะไม่กล้าทำผิดศีลอีกสมัยที่เราเรียนหนังสือโรงเรียน7ซเ y นดนี่เขาบังคับให้พูดภาษาอังกฤษถ้าใครพูดภาษาไทยถ้าครูดได้ยินปับ๊บจะปรับหนึ่งบาทเราโดนปรับสักสองสามครั้งไม่พูดแล้วพูดภาษาอังกฤษดีกว่ามันต้องมีมาตรการบังคับ ถ้าไม่มีบทลงโทษนั่นหมายถ้าขับรถไม่มีจราจารย์ไม่ปรับนี่โอยก็ขับกันแหลกใช่ไหมฝ่าไฟแดงฝ่าอะไรกันไปเหยียบสองสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พอถูกจับปรับปั๊บนี่เข็ดเลยไม่กล้าทําผิดกฎหมายศีลห้าก็เป็นเหมือนกฎหมายของเราแต่เราต้องเป็นตํารวจเองเป็นสารเองเป็นผู้ปรับตัวเราเองเราจะทําได้หรือเปล่าถ้าเราทําได้เราก็จะสามารถรักษาศีลต่างๆได้ ถามจะคุณทําดีมีชัยค่ะเราต้องการให้คนที่หลงผิดในกามผิดศีลข้อสามเรามีกุโซโลบายอย่างไรที่จะบอกหรือสอนเขาให้ตาสว่างค่ะ อ, อ๋อถ้าเขาไม่มาถามเราก็อย่าไปบอกนเดี๋ยวเขาโกรธเราหาว่าไปด่าเขาทำตัวเราก่อนเถอะเรื่องคนอื่นเป็นเรื่องแถมคือถ้าเขาเขาต้องการความช่วยเหลือต้องการให้คําแนะนําเราก็ให้คําแนะนํา ถ้าเขาไม่ให้คำแนะนำก็อย่าไปนี่ถ้าเราไปบอกญาติโยมตามพัทธยาตายบอกเข้ยอย่าไปทาผิดศีลข้อสามเลยนี่เดี๋ยวก็ถูกเตะ่านะใช่ไหเขาไม่ได้ยินดีเราอย่าไปสอนคนที่เขาไม่ยินดีสอนคนที่เขายินดีที่จะให้เราสอนเราถึงอยู่ตรงนี้ไงเราไม่ไปไหนญาติโยมมาหาเราแสดงว่ายินดีให้เราสอนคำถามจากคุณวิรัต์ค่ะ ฐานของจิตอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่ความสงบเนี่ยับแวะารเอกคัตกอารมณ์เป็นหนึ่งไม่มีอารมณ์ไม่มีรักชังกลัวหลงไม่มีความคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆคำถามจากคุณนนพัฒนนะคะ Be m d f u l without thinking จะทำอย่างไรในภาวะที่ต้องทำหน้าที่ทางโลกที่ยังต้องดูแลครอบครัว อย่างไรก็ต้องใช้ความคิดเพื่อดำเนินชีวิตค่ะเช่นนั้นก็ไม่เป็น mind f u l without thinking หรือไม่ <c oughs> <parity> ค่ะก็หาวันว่างเลอาทิตย์หนึ่งมันต้องเจ็ดวันเราไม่ได้ทำงานทั้งเจ็ดวันวันไหนที่เราว่างเราอาจจะขอขออนุ ญ, ญาตแยกตัวออกจากครอบครัวหนึ่งวันเหมือนว่าขอไปรักษาพยาบาล เวลาเราไม่สบายเราเราอยางลาไปรักษาโรงพยาบาลได้ใจเราก็ไม่สบายเราก็ขอลาไปรักษาใจสักวันหนึ่งไปอยู่วัดสักวันหนึ่งไปอยู่ที่ที่เขาให้เราอยู่คนเดียวให้เราเก็บอารมณ์ให้เราคอยควบคุมความคิดเราต้องหามาตรการถ้าเรามาอ้างอย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะออกไปปฏิบัติได้เนี่ยไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหอ ี่ยคนเรามันติดอะไรแล้วพอได้ยินของใหม่ๆอยากได้แต่ก็ เ, เสียดายของเก่ามันไม่ได้หรอกอย่าไปรักพี่เสียดายน้องถ้าได้เห็นน้องดีกว่าพี่ก็ทิ้งพี่ไปเลยอย่าเอาทั้งพี่ทั้งน้องเดี๋ยวตีกันอกาแฟก็เหมือนกันกาแฟแก้วเก่ามันเย็นนล้อยากจะได้กาแฟแก้วใหม่ก็ต้องเทกาแฟก้วแก้วเก่าทิ้งไปเพราะเรามีแก้วเดียวเราก็ต้องเทของเก่าออกไป เพื่อที่เราจะได้เทของใหม่เข้ามา้มเรามีความสุขกับครอบครัวกับอะไรแต่เรารู้ว่ามันก็เป็นความสุขที่คุกเขาไปด้วยความทุกข์เราก็บอกขอลองสักวันหนึ่งขอลองเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากครอบครัวไปอยู่คนเดียวไปฝึกจิตไปควบคุมความคิดเราต้องมีการคิดมีการวางแผนเราถึงจะทาอะไรได้ ถ้าเราไม่วางแผนไม่หาช่องทางออกมันก็ไม่มีช่องทางไปช่องทางมันมีแต่เราไม่คิดมันก็เหมือนกับไม่มีมีคำถามจากคุณวิโรธค่ะเวลาปวดมากทำไงดีครับถ้ามีสติกบพุดโธไปอยู่กับพุโทโธพุโทโธปล่อยมันปวดไปแล้วการปวดจะน้อยลงเพราะว่าส่วนที่ปวดมันมีสองส่วน ปวดที market, vivir, time, ่ร่างกายกับปวดที่ใจพอเราใช้พุทโธพุทโธนี่เราจะไปลดลดความปวดทั้งที่ใจลงเลยทําให้ความปวดที่อยู่ที่ร่างกายรู้สึกน้อยลงแต่ไม่น้อยลงหรที่ร่างกายมันก็เหมือนเดิมแต่ความปวดที่ใจมันลดน้อยลงบางทีความปวดที่ใจหายไปเลยแล้วจะรู้สึกว่าความปวดที่ร่างกายนิดนิดเดียวความปวดส่วนใหญ่นี่อยู่ที่ใจพอพุทโธจนใจสงบปั๊บนี่ รู้สึกหายไปเก้าสิบเอร์เซ็นตหลือแค่สิบเปอร์เซ็นตนั้นเองคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ ถ้าเรารู้ว่าเพื่อนเข้าใจธรรมมาผิดทางเช่นเขายกตัวอย่างว่าร่างกายไม่ใช่ของเราไม่มีตัวตนและคิดว่ากินอยู่ไปยังไงก็ได้เดี๋ยวก็คืนเขาไปอย่าคิดมากเราก็ปรารถนาจะอธิบายให้เขาเข้าใจให้ตรงแต่ก็ทราบว่าเขาไม่เคยฟังเราเราก็ปล่อยวางเพราะไม่อยากให้เป็นเรื่องเคืองกันเช่นนี้ถือว่าอุเบกขาแต่ไม่ได้สร้างกุศลใช่ไหมคะ ก็ได้สร้างกุศลให้กับเราไงเราไม่ไปทุกข์กับเขาไม่ไปมีเรื่องกับเขาถ้าเราไม่มีอุเบกขาเดี๋ยวเราไปพูดไปสอนเขาเดี๋ยวก็ทะเลาะกันดยดีไม่ดีก็เสียเพื่อนกันไปโกรธกันไม่คบกันอีกเลยแต่ถ้าเราเฉยๆไปก็ยังคบกันอยู่ต่อไปก็มีหลักคําสอนที่พูดว่าให้สงวนส่วนตา่างประสานส่วนเหมือน เรามีเพื่อนเขามีการเห็นต่างกันก็อย่าเาเรื่องที่เห็นต่างกันมาพูดกันเดี๋ยวทะเลาะกันพูดแต่เรื่องที่ชอบเหมือนกันอันนี้ชอบอย่างนี้ก็คูดแต่เรื่องที่มันชอบนี่มันก็คุยกันได้พอไปคุยในเรื่องที่เขาไม่ชอบขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็โกรธเราต้องรู้จักพูดเวลาเกี่ยวข้องกับคนพูดให้เกิดประโยชน์ ถ้าไม่เปิดประโยชน์ก็นิ่งเฉยดีกว่าตําละตำหนึงทองใช่ไหมคำถามจากคุณเพชรน้ำหนึ่งค่ะธาตุสี่ขันห้าตัวเดียวกันหรือคนละตัวครับคนละเรื่องกันธาตุสี่คือดินน้ำโลภไฟอันนี้เป็นธาตุขันคือร่างกายรูปประขันคือธาตุสี่ส่วนนามขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้เป็นนามสี่นามขันสี่อยู่ในใจ ธาตุสี่อยู่ในร่างกายหมดแล้วเลยคำถามจากคุณต้นไม้ใบหญ้าค่ะการปฏิบัติธรรมจําเป็นต้องลาออกจากงานประจําไหมครับถ้าอยากจะปฏิบัติเต็มร้อยก็ต้องลาออกจะไปเป็นพระแล้วจะมาทํางานด้วยก็คงไม่ได้แต่ถ้ายังห้าสิบห้าสิบอยู่ก็ยังไม่ต้องลาออกจากงานทํางานไปวันไหนวันหยุดก็ไป ไปบวชชั่วข่าวไปถือศีลแปดไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมได้อยู่แต่ถ้ามันปฏิบัติแล้วมันได้ผลมันอยากจะปฏิบัติมากขึ้นเองแล้วต่อไปมันก็เปรียบเทียบผลที่ได้จากการทํางานกับผลที่ได้จากการปฏิบัติมันก็จะเห็นว่าปฏิบัติได้ประโยชน์มากกว่ามันก็จะทิ้งงานไปแล้วมันก็ไปเอาเอาการปฏิบัติเป็นหลักต่อไปคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ สวดมนต์ภาวนาควรทําเวลาไหนดีที่สุดคะกราบสาธุคะ่ะถ้าสวดมนต์ภายในใจนี่ทําได้ตลอดเวลาเวลาไหนที่เราไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยครับไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเราก็สวดมนต์ไปภายในใจเข้าห้องน้ํำนี่ก็สวดมนต์ได้ถ้าอยู่สวดในใจอย่าออกเสียงนะออกเสียงเนี๋ยก็หาว่าไม่เคารพแต่ถ้าอยู่ในใจไม่มีใครรู้ เพราะเราไม่ได้สวดเพื่อบูชาเพื่อเคารพเราสวดเพื่อปฏิบัติธรรมเราสวดเพื่อสร้างสติสวดเพื่อทําใจให้สงบอย่ยถ้าอยากจะให้ได้ผลดีต้องสวดบ่อยๆสวดมากๆ ก, การที่จะสวดได้บ่อยได้มากต้องสวดภายในใจอย่าส่งเสียงออกมาถ้าส่งเสียงแล้วต้องอยู่ในที่เรียบร้อยที่เหมาะสมต้องนั่งเรียบร้อยต้องนั่งพนมมือถึงจะสวดออกเสียงได้ แต่ถ้าสวดอยู่ภายในใจนี้อยู่ในรถก็สวดไปได้นั่งรถไปทำงานก็สวดได้ทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็สวดได้หมดแล้วนะมีอะไรอยากจะถามอีกไห ม, มไม่มีแล้วนะโอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ